เขียนข้อความในทํานองที่จะเอาเรื่องแล้วห้ามขีดเขียนบนกาแพงถ้าจับได้จะถูกดาเนินคดีเนี่ยคูยอย่างนี้เลยวิววันลุงก็ไม่สนใจก็อเอาอีกนะขีดทีนี้ไม่ไม่ได้ขีดเขียนด่าซึ่งกันและกันนะถ้าขีดเขียนข้อความท้าทายเจ้าของบ้านก็ขเขียนข้อความหยอกหรือว่าอ่าประชดเจ้าของบ้านก็มีเจ้าของบ้านโมโหมากเนะี่ย หลังจากที่ขีดข้ อ, เ, อเขียนเอาสีมามาลบข้อความเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเนี่ยไม่ได้ผลก็ลยังถูกด่าถูกว่าอีกนะถูกท้าทายวันหนึ่งเจ้าของบ้านนี้ก็ฮิ้วนะก็ป๋องสีมาพร้อมกับแปลงด้วยความโกรธนะแล้วเขียนข้อความตโตโ ต, ตใครเขียนเป็นหมานะตกลงใครเป็นหมาก่อนนะ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 มันมักจะเป็นพิษนะพิษส่วนใหญ่มักจะขมเพราะนั้นพอเราได้ลิลล้มรสขมเนี่ยเราก็กจะต้องต้องวางแล้วไม่กินแล้วตัวเราเนี่ยนะมันก็ไวนะต่อของแหลมของร้อนพอมีของแหลมของร้อนปุ๊บนีอ่อ่แทนที่จะเหยียบเข้าไปเต็มเต็มเท้านะเพียงแค่สัมผัสนะ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 พอเคลียร์แล้วนี่มันก็ยิ่งหลงพอหลงก็ยิ่งถึงเรื่องเดิมๆมก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เราต้องตัดนะวงจร น, นี้ออกไปนะดยการที่มีสติรู้ตัวนะจากหลงเนี่ยเป็นรู้นะพอรู้แล้วเนี่ยมันก็วางนะมันก็วางทันทีถ้าไม่วางเมื่อไหร่ก็ยังทุกข์นะหลวงพ่อชาตนบอกเนี่ยทุกข์เพยุทธนะมีทุกข์มีทุกข์ก็เพยุทธนะ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 เดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวข้าเนี่ยฉันแค่ว่าค่าค่าจะเข้าเข้าไปข้างในนะให้รอสักครู่นะท่านก็หายเสด็จเข้าไปในตำหนักผ่านไปห้านาทีท่านก็ยังไม่เสด็จออกผ่านไปสิปนาทีท่านก็ยังไม่เสด็จออกมานายฐานคนนั้นเนี่ยประคองกระดาษในท่าคุกเข่าเนี่ย้กระดาษที่มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะมันเริ่มหนักแล้ว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 ก็จะวางได้เร็วนะอาชาเนี่ยพก็เท่านี้นะกลับพระ